ตะวันทอสคืนแม่ยาวนานแต่มัน การเฝ้าดูความคิดโดยไม่พยายามไปทำหรือจัดการอะไรกับมันเพียงแต่ดูเฉยๆแล้วปล่อยมันไปนี่คือหนทางอิสระภาพจากทุกข์อิสระภาพจากโรคประสาททั้งปวงหลวงพ่อเทียน จิตตสุโในหลักสูตรนัก ร, รมตรีบทแรกที่พวกนัก ร, รมตรีเขาเรียนกันอาจจะเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นผู้ที่สนใจบทแรกแรกในทัรนรตรีก็จะกล่าวไว้ว่ารร ม, มีอุปการะมากมีสองประการ คือสติความระลึกได้แล้วก็สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่หละคือธรรมที่มีอุปการะมากซึ่งเขาได้เรียนกันแต่ว่าจะมีอุปการะมากกับเราแค่ไหนนั้นเราต้องลองพิสูจน์ดูแค่รู้จำรู้จักจากการอ่านการเรียนการต้องจำเพื่อสอบเอาคะแนนอันนี้ก็ททำได้ แต่ว่าจะมีอุปการะน้อยจนกว่าเราเรามาลงมือทาเอาธรรมะที่ไ้ราเรียนมาเนี่ยเอามาลงมือปฏิบัติให้ได้รับผลภายในจิตในใจเราจรึงจะเืียว่าธรรมะนั้นมีอุปการะต่อเราเราเพียงแต่มีสติลงไปที่กายที่ใจเราพอเราพลิกมือเราเลือกได้เราก็มีสติแล้วแต่เรารู้ตัวเรากำลังพลิกมือ เฮ้เราก็มีสมามัญญาเวลามันเกิดความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นที่กายเราก็ดีใจแล้วก็ดีเช่นมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเระลึกได้เราก็มีสติแนละ้วเรามีความรู้ตัวว่าเรากําลังเป็นทุกขนะ์นะอนี้ก็มีสมามัญญาหรือบางทีมันเกิดความคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆในทางด้านจิตใจพอจิตมันคิดขึ้นมาเนี่ยเราเระลึกได้เราก็มีสติ แเรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดอันนี้คือมีสัมปชัญญะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละหรือบางทีมันเกิดความง่วงึือมันในจิตใจเราเราเราลึกได้ว่ามันง่วงอันนี้เราก็มีสติเราก็จะมีความรู้ตัวว่าเราง่วงนะนี้เราก็มีสัมปชัญญะนี่เราเป็นการปฏิบัติให้เรามีสติมีความรู้ตัวลงไปที่กายที่ใจคือในกายในเวทนา ในจิตหรือในธรรมเราก็ได้ปฏิบัติให้บางท่านก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเวลาที่เรากําลังดื่มสุราล่ะแล้วดื่มสุราเนี่เราก็มีสตินะเรากําลังเล็งเปย์ไปที่นกจะยิงนกเนี่ยเราก็มีสตินะก็ถูกอยู่แต่วันนั้นไม่ใช่สตินะ่ะอันนั้นเป็นความหลงคนที่มีสติจะไม่ทําอย่างนั้นเลยการดื่มสุราการผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม พูดเท็จรักขโมยในอาการของการผิดศีลเนี่ยเรียกตัว่าเป็นคนที่ขาดสติสติเนี่ยต้องเกิดในกิจการกที่เป็นกุศลสติเป็นธรรมที่มีกุศลเป็นธรรมที่มีประโยชน์เป็นธรรม ท, ที่มีอุปการละเขาจะไม่เกิดในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมสติเป็นจิตที่ดีเนีย่ยในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าโสภณธจิตคือจิตที่ดีงามเท่านั้นถ้าว่าเราทําความผิดเนี่ยถือว่าไม่ใช่สติ เมื่อเกิดสติแล้วเนี่ยจะมีความรู้ดีรู้ชั่วรับผิดชอบอันไหนบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สติจะทําหน้าที่แยกแยะได้เพราะฉะนั้นสติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความรับผิดชอบเป็นส่วนของปัญญาสติ ส, ตสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่คู่กันทุกครั้งที่มีสติมักจะมีสัมปชัญญะเข้าร่วมด้วยก็จึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะเรียกเป็นธรรมะที่เป็นเกลอกันเกิดพร้อมกันเกิดร่วมกัน ถ้ามีสติแล้วจะมีความรู้ตัวตามมาเรื่องคนดื่มสุราคนทําความผิดความชั่วเนี่ยไม่ใช่สติเพราะเป็นคนที่ขาดสติแต่ก็คิดเอาว่าเรามีสติน่าเรารู้น่ากาลังทําอะไรอยู่ถ้าเป็นตัวสติแท้ๆแล้วเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นมีสติมากๆแล้วเนี่ยผลมันก็จะตามมาเป็นพร่วนเลยอย่างเช่นในตัวสติในความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะมีสมาธิร่วมด้วยเสมอๆจะเรามีสติ ร่วลงไปที่กายที่กำลังเคลื่อนไหวหรือที่ใจที่กาลังคิดกำลังนึกเราก็จะมีสมาธิรวมอยู่ด้วยจิตจะรวมลงไปที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่กายเคลื่อนไหวหรือที่ใจมันคิดมันนึกก็จะมีสมาธิรวมด้วยอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เมื่อมีสติมีสมาธิมันก็จะเบิกบานจิตมันจะเบิกบานในอารมณ์นั้นสังเกต ด, ดูได้ถ้าเราขาดสติเนจิตจะไม่เบิกบาน ความเบิกบานของจิตเนี่ยจะมาคู่กับสติเสมอๆ ม, มาคู่กับสมาธิเสมอๆ ม, มีสติมีสมาธิมีความเบิกบานแล้วก็จะมีความเปลี่ยนอย่างหลักฐานในพุทธพจน์ก็กล่าวไว้ว่าคนมีสติย่อมขยันจะขยันหมั่นเพียรรู้ตัวให้ต่อเนื่องจะขยันรู้สึกตัวทั้งวันก็มีสติได้ความขยันเนี่ยทำให้มีสติอยู่เสมอเสมอ ใจนีจะเป็นกลางๆมันจะมีปิติมีความเบิกบานใจมันจะเป็นธรรมวิทยาธรรมวิทยานี่ก็คือการคร้ครวญในธรรมการสอดสอนธรรมมันจะเห็นรูปเห็นนามแล้วเกิดธรรมวิทยาในจิตใจเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนมองอะไรก็เป็นธรรมไปหมดแลวต่อมามันก็จะมีความว่างเบาเป็นปิติ เป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันใจก็จะเป็นกลางๆมั่นคงจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์อะไรที่มากระทบเนี่ยเริ่มต้นจากการมีสติมีความรู้สึกตัวมีสติสมัมผััญญะเท่านั้นก็จะมีทั้งสมาธิมีทั้งความเพียรมีความอิ่มอกอิ่มใจมันจะมีแต่ความผ่อนคลายเป็นปกติเป็นกลางๆ เป็นกระบวนกาที่เกื้อนหนุนกันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะสติรู้ทันในความคิดสำคัญมากลุงมาเทียนท่านกล่าวไว้ว่าถ้าเรามีสติตามรู้จิตหรือรู้ในความคิดโดยที่จิตใจเราไม่ได้ไปบังคับไม่ต้องบังคับให้มันหายไปแค่รู้เฉยๆวางใจเป็นกลางๆจิตเราก็จะพ้นจากปัญหาต่างๆพ้นจากโรคประาทแล้วก็นอนหลับสบาย เมื่อจิตใจดีแล้วเนี่ยมันก็มีผลสุขภาพจิต ด, ดีแล้วก็มีผลทําให้สุขภาพกายดีด้วยนี่เป็นการฝึกจิตล้วนแต่ก็ส่งผลมาให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไม่เครียดร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอๆรับรองได้เลยว่าจะไม่เป็นโรคประสาทเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะควบคุมจิตใจให้เป็นปกติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นธรรมมีอุปการะมากคือสติความระลึกได้สมัชฌัญญะความรู้ตัวเนี่ยซึ่งในนักธรรมตีเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เขาศึกษาเราเรียนกันถ้าว่าเราถือว่าธรรมเนี่ยมีอุปการะต่อเรามากนั้นต้องได้รับผลจากการปฏิบัติก่อนถึงถือว่าเป็นอุปการะกับตัวเราเราจะเรียนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกแต่ว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัติยังมีความทุกข์อยู่เนี่ย อันนี้ถือว่าสติสัมปชัญญะยังไม่อุปาการละเราเราไม่ต้องเรียนก็ได้ <variables> เพียงแต่เราลวมือปฏิบัติเจริญสติลงไปที่กายที่ใจเราเลยไม่ต้องจบนักธรรมเอกแต่เราก็จะจบนักธรรมใจนะนักธรรมใจนี่สําคัญนะนักธรรมใจไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ต้องจบนักทางเอกก็ได้แต่ถ้าจบนักธรรมเอกแล้วทําใจได้ไม่เป็นทุกข์ได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเรียนถึงนักธรรมเอกแต่เรา ปฏิบัติจนจบนักทำใจไม่เป็นทุกข์แล้วก็ใช้ได้เลยได้รับสิ่งที่เป็นอุปการะมากคือสติสัมปชัญญะภายในจิตใจเราแล้ว